อัลกุสซัมบ์ลาอีลลอฮ์มาน د รราะห์ ل ฮม์อัลฮะมดุลลอฮ์อีลลอฮ์บินอาลามีนบิฮิร์สต์ไนย์วาสลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดีวาลาอะลีฮวอัฮบฮอจนสลามุอะลัยุมวร์มตุลลอฮวบรกตวนี้เรากำลังทบทวนกันในในส่วนหนึ่งของรอนอิส์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุรานยามเช้าและตะฮัสยุดยามเด็กทวนนิดหนึ่งว่าอิสระคือการเดินทางของในบีจากมักกะจากมัสยิดฮารอมไปถึงมัสยิดอักซอซึ่งเป็นการเดินทางที่รวดเร็วมากเราอ่านคุรานในสุสระนี้ที่สอนว่า سبحان الذي أسر بعبده ส ال ال ي ل ة من ا ل م س ม د حرام إلى ا ิ م س ج د أقصى ณบีออกเดินทางในตอนกลางคืนเดินทางจากมัสยิดฮารอมที่นครมะกาบไปถึงมัสยิดอักซอที่ไบตุนมักลิสเป็นมุ่งยิประการหนึ่งที่อัลลอฮ์มอบให้กับท่านบีมุฮัมมัดลลัลวยวะสลัมซึ่งจะเดินทางด้วยดรถหรือ้วยมา้า ก็ต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานในหัวข้อเรื่องอันคุรานยามเช้าและตาฮัดยุดยามดึกคือมุสลิมผู้ศรัทธาต่อร้อนเนี่ยภารกิจอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเกาะติดและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคือการอ่านอันคุรานเพราะว่าอัลกุรอานอุฟัจิลิกานะมัสฮูดา คุรานที่เราอ่านในตอนฟยัดมันจะเป็นสักขีพยานให้กับเราคือทุกครั้งที่เราอ่านน่ยแต่ช่วงซูบโบเนี่ยการนามาซูดาจะเป็นพยานให้กับเราและเราเกี่ยวข้องกับอันกุรานเนี่ยหนึ่งอักษรเราจะได้รับความมีถึงสิบความดีเรียงเราอ่านว่าอัลิฟลามีมเนี่ยกี่ยงศนส า, อ, านอักษรอัลิฟได้สิบ ลามก็ได้สิบมีมก็ได้สิบสามสิบความดีแล้วนะแต่นี้ความดีต่างๆที่เราอ่านไปเนี่ยหรือทำอิบาดนั้นในส่วนใดก็ตามสิ่งเรีสิ่งเราต้องมีในใจก็คือว่าต้องลินละต้องทำเพื่ออลอโซตาลายะเพื่อคนอื่น <c oughs> เพราะเราทำอิบาด้นเพื่อ <c oughs> เพื่อสิ่งใดมันจะได้กับคนสิ่งนั้นอลอไม่บันทึก แต่เพื่ออะไรก็ได้เพื่อสิ่งนั้นแต่เราเพื่ อ, อลอสอัลตาลาเลาจะให้เราถึง3ามสิบความดีหนึ่งสอสิบความดีอ่านวันหนึ่งเท่าไหร่นะตอนเช้าฝึกไว้อ่านกุรานกลางคืนฝึกไว้ละมาได้ต่หัสยุดเราสู้กับความรู้สึกความเมตตาใจของการนอนโดยตื่นมาละมาต่หัดยุดอัลฮัมดุลิลละ เวลาที่เงียบสงดประ น, นึ่งว่าเรากัาลังรออยู่กันตัวต่อตัวนะแน่นอนเราอยู่ต่อหน้าพระองค์อยู่แล้วมันไม่มีใครที่จะมาทาให้เราคุย้ยแขวหรือจะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราอวดใครหรือจะให้ใครนิยมชมชอบเราความรู้สึกเหล่านี้ไม่มีแล้วเพราะระหว่างเรากัาลังรอสนุนลานะระหว่างเรากัาลังรอสุนทลานี่คือโอกาส ที่เป็นความใกล้ชิดที่สุดที่เราต้องทําังั้นบางคนตื่นนอนมาอ่านหนังสือพิมพ์ก็ไม่ว่ากันแต่ก่อนนั่ น, น, นต อ, อ่านคุณอ่านก่อนบางคนตื่นนอนมาฟังข่าวเ อ, อ้าไม่ว่าแต่ว่าตกก่อนนั่นๆน่ะกุณอ่านต้องมาก่อนในกฎอัลลอฮกดหนึง่งที่ก็บอกว่ากุดดีมัลาฮัมมูอัลันมุฮิมมีเราต้องเอาสิ่งที่สําคัญไว้ก่อนสิ่งที่สําคัญรองลงมา เอาหามมุ่สำคัญมากกว่าเอาไว้ก่อนและสิ่งที่สำคัญรองลงมาก็เอาไว้ทีหลังอ่าอิสระก็ดูอิสลามังนกดิฟเลฮัยติดิฟเลฮัยติดดิฟเลมะมัด สุมมาแล้วจะรู้ ล, ล่ะก็เอาล่ะอาล่ะล่ะกอะอาล่ะลอาละไอา่ะล่ะก็เอาล่อาะเอาล่ะเานา่าะล่าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นก็เาลามว่อาไงคือา้าเราไม่ได้รับความดีตามที่ อ, ล อ, อัลเอาละกอาอไม่ได้ทก็เาล่อาม่ีล่ะกาล่อา่กอาล่ะเล่อาละลออกแล้วเนี่ย เราจะได้ประโยชน์อะไรถ้าสิ่งที่เราทำนั้นไม่ใช่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกนั้นเรามุดสิ่งพุทธาต่ อ, อร้อสิ่งที่ต้องมีในใจก็คืออะไรทำความดีตามที่อัลลอฮ์บอกและปฏิบัติตามที่อันกุรอานบอกเพราะกุรอานนั้นเป็นคัมภีร์ของชีวิตที่เราต้องปฏิบัติตาม ถ้าเราไม่ตามกุรอานและไม่ตามการไปปฏิบัติตนที่นบีสอนเราแล้วเนี่ยเขาถือว่าเราไปปฏิบัติในทิศทางที่ไม่ใช่อิสลามก็นับว่ า, าวัาวาไม่ยับตีก้อยรอนอิสลามมีดีนั้นใครก็ตามที่ไปปฏิบัติวิถีชีวิตดูแลชีวิตที่ไม่ใช่แบบอิสลามแล้วเนี่ยฝ่ยายยุกบาลอมินนะอัลลอฮ์อจะไม่รับ เราคิดเองสาว่าน่าจะโดยที่ไม่ได้มีแบบจากอันกลอานและแบบปฏิบัติของท่านนาบีที่มาสอนเราแล้วเนี่ยสิ่งนั้นเขาไม่เรียกว่าอิสลามเวลาเราทําไปแล้วเป็นไงฝ่ายยุกบาลามินหูอลัลลอฮ์ไม่รับสิ่งที่เราทําไม่จะถูกตอบรับจากอลัลลอฮ์วาวาฟิลอาคือเราจะมี น, นันคอซีดีน เวลากับไปสู่อาครีรอตแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคอสีดินคุณอ่านพูดเบาๆนะคอสีดิ น, ค, ดนคาทุนแต่ความหมายลึกๆ ก, ก, ก็คือดาคิรินาฟินานาสรุปก็คือว่าถ้าวิถีชีวิตของเราทุกอย่างมันเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ใช่แบบอิสลามแล้วเนี่ยเราไปนาในรกมแน่ๆเพราะอะไรถ้าไม่ใช่แบบอลัลลอฮ์มันก็จะเป็นแบบคนรอบข้างที่เราเคยเห็นถ้าไม่ใช่แบบอลัอลลอฮ์เรซูนก็เป็นแบบที่เราเคยดูทางโทรทัศน์ แบบที่เขาเล่าให้ฟังหรือแบบที่เราคิดว่าน่าจะสาว่าน่าจะอิสลามไม่ไ้เป็นแบบนั้นแต่จะมีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวและบอกให้เราได้ปฏิบัติคือถ้าไรถ้าไม่รับทำความดีตามที่อัลลอ์บอกและไม่ปฏิบัติตามที่เราซูนสอนในเราแล้วเนี่ยแน่นอนเราก็จะให้เจ้าลิ้มรสการลงโทษสองเท่าในชีวิตนี้ 2เท่าในชีวิตนี้เพราะอะไรศรัทธาแล้วไม่เอาและสองเท่าเมื่อยามตายแล้วโอ้เจอเยอะเลยชีวิตนี้ก็โดนไปสองเท่าตายไปแล้วก็โดนสองเท่างั้นมุสลิมผู้ศรัทธาตอบลอเราจะไม่มีใจให้กับสิ่งอื่นนอกจากคำสั่งของลอสวะตาลาเรื่องอะไรเรื่องลูก ออแล้วก็นบีก็บอกให้เรามีความเมตตาต่อลูกเรื่องผู้คนสมมติครอบครัวภรรยาจะโกรธยังไงกันนบีก็บอกลาตัดจีรีบินลตัดจีีบินว่าจาอย่าตบหน้าเวลาตบเบีย้ยอย่าไปประจานงั้นเวลาอยู่ด้วยกันดีๆก็ดีพอไม่ถูกใจทำลาย ทำไมน บ, บีบอกลาตัตริบินว่าชาจะาตบหน้าเพราะหน้าเป็นศูนย์รวมของประสาททั้งหมดอยู่ที่ใบหน้าตาจะมองเห็นปากจะพูดได้จมูกจะหายใจหูจะได้ยินเครื่องมือชีวิตตรงนี้อยู่ที่ใบหน้าทั้งหมดงั้นเวลาเราเห็นหน้าหน้าบึ้งแสดงว่าไม่พอใจหน้ายิ้มก็แสดงว่าเออถูกใจหน่อย แต่ยิ้มหวาแล้วนานเยอะๆเนี่ม ย, ม, ย ม, มีอะไรละมีอะไรละหน้าใช่หมงั้นก็บอกดวงตามันเป็นหน้าตาของดวงใจดูตาก็รู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ตาก็อยู่ในหน้าด้วยนะนั่นดูหน้าได้วันไหนบึงบ้งๆก็พูดน้อยๆหน่อยเดี๋ยวเรื่องมันยาวถ้ายิ้มเยอะๆหน้าจะสวยนะถ้ามายิ้มหน้าบึง้งเนี่ยมันจะแก่เร็ว พอกล้ามเนื้อใบหน้าทั้งหมดมันจะต้องบีบเพื่อให้เราบึง้งมัต้องอ้ามันบีบจนกร้แทกถ้ามันไม่คลายออกเนะแก่ตอนนั้นเลย <c oughs> กล้ามเนื้อมันบีบถ้ายิ้มมันปล่อยสบายๆ ย, ยิ้มนะเราข่มความรู้สึกเราด้วยกับอีมานอีมานเราปลอดภัยเราต้องเอาความเชื่อของเราทุกอย่างไว้กับอัลลอฮ์องเดียว แล้วสิ่งต่างๆที่อรรถจะให้มาอรรถรู้ว่าคนอย่างเราเหมาะสมที่จะได้อะไรเท่าไหร่เมื่ อ, อไรขออนาตอรรถเราอยากได้เราขอได้เร็วบางทีเราเราจนเราตังค์น้อยรวยเร็วบาทีสำลักเงินนะสำลักเงินอยู่ไม่ทูกแล้วอยู่ติดบ้านไม่ได้สำลักเงินงั้นเวลาได้มาก็อาจทำโดยลิลเลย สันเสริญตออัลลอฮ์แล้วสอนใจตัวเองว่าสิ่งที่ได้รับมาที่เป็นรีสกีที่อัลลอฮ์ให้ให้ใช้ไปในทางของอัลลอฮ์สุลตลาของใช้ไปในทางของอัลลอฮ์เน่ยมีเปลืองหรอกถ้าใช้ไปในทางที่ทารอบเท่าไหร่ก็หมดนะเท่าไหรก็หมดแต่นี้ดูระบบของเราที่อัลลอฮ์บอกสิกูรู้ว่ชระบูจงกินจงดื่มเวลาตุสเดฟูอย่าฟุง่งเฟือยนี่ระบบเรา แต่พอเราจงกินเนี่ยมาจากฐานที่ท่านหล่อศูนยสองไม่ได้ปล่อยให้เราเข้าใจเองนะหล่อศูนย์ปฏิบัติเป็นรูปธรรมให้บริหารกระเพาะจัดกระเพาะเป็นกี่ส่วนแบ่งกระเพาะเป็นกี่ส่วนสามส่วนหนึ่งอาหารสองน้ำสามอากาศสูบแล้วก็ลวมหลวงนะสูบแล้วลมหลวงเออไม่เพื่ออาการเลย พอไม่เพื่อกากันแน่นสิเพราะพอแน่นก็ไม่รู้จะว่าไงกับลอยยาวลอยถ้าไม่ถ้าให้เร้อก็ขอให้โตเธอะอรรมันอะไรกันนนงเนีแทนที่จะแบ่งเขาดื่นมากก็ได้เนี่ยขอแต่นี้นะขอต่อลอยยาวลอยยทวทวนกูอะถ้าไม่รอขอให้โตเถอน่าเกียดเป็นสาวสาวด้วยขอนี้ใครด้ยินก็ไมมาขอเราแล้ว แต่เป็นคนอายุเยอะคนก็นมาได้ยิงก็รอโตได้แค่นี้หรย <laughs> <laughs> นะ <laughs> งั้นเราก็วันนี้เราต้องได้รับการทดสอบอัลฮัมดูลิลละแก้ปัญหาไปปัญหาบางอย่างถ้าเราแก้ด้วยตัวเองได้แก้ถ้าแก้ด้วยตัวเองไม่ได้เดี๋ยวเอาอส่งคนมาแก้ให้กับเราแต่ว่าเราต้องอะไรรักษาคำสั่งก่อนลอ่ะ ไม่อยากตะกินแล้วใครที่รักษาคำสั่งของเราเหย่านละหูมัครยาเราจะให้มีทางออกเลาจให้มีทางออกจำไว้เลยนะงั้นมุสิมเวลาเครียดต้องฆ่าตัวตายไหมเลาจะไปดิบตายทำไม <c oughs> อยู่ไปก็จะตายเมื่อใดก็ไม่รู้เราต้องรักษาเป้าหมายที่เอาสร้างมาสวนนิดหนึ่งต้องรู้จักเป้าหมาย าถามมคําถามว่าเราสร้างเรามาทําไมทามาไ ม, ไมสรางนี้ดับมาให้แตงขบุยามัดเลย <c oughs> ไม่ใช่ฮเพื่ออีบาด้าต่อหรอเพื่อต่อยอดความดีที่เราจะไปได้รับการตอบแทนในวัน <c oughs> อาคิเราอาคิโรวันสุดท้าย <c oughs> วันกี่ยา ม, มาคือการเกิดขึ้นมาใหม่เพื่อได้รับ ก, การตอบแทนจากอลัลลอฮฺสุลตลา <c oughs> อลัลลอฮฺเตรียมให้หมด ออลไม่ตาขนาดไหนวันนี้หายใจเนะ่ะถ้าออคิดสตังเนะี่ยไหวไว้ใจนะไปโรงพยาบาลใช้ออกซิเจนหน่อยหนึ่งหมดไปกี่หมื่นเนี่ยออหายใจออลแล้วมีมีอะไรครับไม่ต้องเอาอะไรมาใส่จมูกมีขนจมูกเพื่อกรองอากาศกรองที่ฝุ่นเนี่ยออให้มาเนะี่ย นะงั้นขนจมูกอ่ะถ้าจะรักษาก็ตัดให้มันดีอย่าไปถอนมันกระเทือนระบบประสาทแบบนันบีนี่แปลกนะถ้าดื่มน้ำลำรำนันบีสั่งให้ได้นะยืนดื่มแล้วดื่มกัทีละอุกหิวขนาดไหนก็นทีละอึกค่อยๆไปก็ยืนอื่นยืนน้ำาำรำนะนอ่า่นชนงอ่าดูอาว่างอัลลอฮุมาอินนีอัสลูกะอินนันนาฟิอัน วารีสกอนวาเซียนและว่าอะไรอีกว่าอะไรวาชิฟาอันมิงกุลิดาอินให้ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ความรู้ดีๆเป็นประโยชน์วารีสกอนวาเซียนมีริสกีที่กว้างขวางเยอะๆกว้างขวางแล้วแต่ความรู้กับริสกี้สุขภาพดีกับริสกีไม่ใช่ของกินอย่างเดียวนะมีเพื่อนมีฝูงกับริสกีได้ความรู้กับริสกี ไวชีฟาอันมีกุลีไดอินให้หายจากโรคทุกโรคที่เป็นอยู่หรือจะมีต่อไปวันละอาัลัมเราไม่รู้แต่ปฏิบัติตามนี้ก่อนเดี๋ยวเราดูแลเราเองใครรักษาอลัลลอฮ์ใครรักษาคาสั่งของอลัลลอฮ์อลัอลลอฮ์จะรักษาตัวท่านนะใครรักษาคําสั่งของอลัลลอฮ์อลัลลอฮ์จะรักษาตัวท่านอ่า และจะไม่พบผู้ช่วยเหลือแก่เจ้าให้พ้นจากการลงโทษของเราเนี่ยล่อเตือนเราถ้าเราฟาเฟืน้ตนต่อ้าตนต่อหรอกลับมาสู่ความดีถ้าดึงดันที่จะทรยศต่อหรอเราไปไหนท้ายสุดล้วกลับไปสู่ใครกลับไปสู่อัลลอฮฺสลุลตารานีอัลลอฮ์พ้นไหมหนีไม่พ้นอห น, นีไม่พ้นแต่อย่าทำอีบาร์ด้าเพรายังไงก่นหนีอัลลอฮ์ไม่พ้นทําก่อนด้วยต้องทําจากอีมาน อิมามนามาจากคาอามมนาอาเมนาป ล, ปลอดภัยทํามาแล้วความปลอดภัยจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรางั้นชีวิตดาวตั้งไว้เลยสเมีนะฟังแล้วได้ยินแล้วว่าอัตโะนะและปฏิบัติตามสองอย่างจะไปด้วยกันทําเลยรู้ว่ายังไงนบีใส่ไงทําเลยทามากทำาน้อยทาอลลาร้างเรามาแล้วก็บอกทิศทางของความอยู่รอดและอย่างอื่นที่เขาศรัทธา ก, กันที่ไม่ใช่พูทธศรัทธาตอนล้อ ทางนำก็ไม่ได้มีมาปฏิบัติตนตามสิ่งต่างๆก็ตามแต่ที่จะคิดไอ้นี่คิดว่าดีก็ทำก็ทาก็ทำไปและถ้าเราคิดว่าอะไรล่ะคิดว่ามีสิ่งอื่นที่จะช่วยเราได้มันก็ทำให้เรายุ่งยากบางคน ข, า, ขดนาดสาคัญ้าก็โอเคไม่พามุยบางคนใส่ตะกุดรอบตัวเลย มีเชือกรอบตัวมีอะไรเขี้ยวเสือตันงานช้างน้ำทั้วที่สมทองเหลืองแล้วก็เขี้ยวนู่นเขี้ยวนี้อยู่รอบตัวเลย <S <S และสิ่งเหล่านั้นะเป็นยังไงเราแขวนแขวนที่เอวมันช่วยเราได้ไหมมันช่วยไม่ได้และมันชิดิคไหมสิดิคต่อแล้วอัสซิดกูฟินอักีด้าชิดิกใเรื่องของอิกกีด้าพอเราไปยึดว่าเราสิ่งเหล่านั้นจะปกป้องเราสิดิคระบัางนะเรื่องอัสซิดกูฟินอากีด้าสิดิคในเรื่องความเชื่อ เราต้องอัลลอฮ์อย่างเดียวและอีละอีละ อ, อัลลอฮอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวอย่างอื่นไม่ต้องแล้วมันจะมาช่วยเรือตะกุดต่างๆอะไรต่างๆเราไม่คุณฟังคา น, นูนที่เขามินแบบหนึง่งเขาขายกันอะไรกันนั่นสิของเขาก็ว่าไปเราไม่ว่าเขาแต่อัลลอฮ์บอกเมื่อเป็นสิของเขาแล้วกุ้มดีนกุ้มโมียาดีนสิของเขาก็ของเข า, ข อ, เ ข, าของเราก็เป็นของเรา นั่นชิคฟินฟิ น, ฟนอักีดาสองอาชิดก็ฟินอิบะดาสิริกเล็นอิบะดาะเราจะทําแบบไหนไ้อิบะดาต่อรอสตร า, าเพื่ออ้วกอดเป็นสิริกเล็กถามว่าบุญได้ไหมเราไม่ได้รับผลละบุญเราเหนื่อยเปล่างั้นรูปแบบอิบาะด า, าอาลัลลอฮ์ส่งน บ, บีมาอธิบายเป็นรูปประธรรมเป็นรูปประทรบที่อธิบายให้เราได้เห็นนะ สาม ja. สิริในเรื่องของอากามในเรื่องของห um t àng t àng. ุกกมบทบัญญัติต่างๆเราว่าเป็นแบบนี้ว่ามายะกุมิมาอันซาละล้อฟาอุไยกมุลกาฟิรูนใครที่ตัดสินสิ่งใดโดยที่เอาล้อไม่ได้บอกแล้วมีสามอย่างหนึ่งเป็นกาเฟตหรือไม่ก็เป็นคนที่จอเลมตออล้อช่อชนตออล้อหรือไม่ก็เป็นคนที่ฟาซิกคนนอกข้อโดนทั้งนั้นเลย เพราะนั้นเราฟังสิ่งที่อัลลอ์บอกแล้วเราตายเราไปไปหาใครไปหาอัลลอฮ์กลับไปสู่พระองค์การสนับสนนจะเป็นแบบไหนอยู่ที่วันนี้นะอยู่ที่วันนี้เราทำอะไรว่อิงกาดูเดีสต์ฟิรูซูนกามินนับลิยุคริยูกะมินฮะไวยดัลลาญัลบะซูนะทีลาฟกะอิลาอลากลีล และหาพวกเขายุ่งแย่พวกเขาเคืออะไรพวกยิวนะพวกเขาเคือพวกอะไรพวกยะฮูดพวกนัสซารรอเนี่ยมันเป็นคู่ปริปักกับอิสลามยะฮุดนัสซารรอเนี่ยฮนะมันมันป็นเป็นปฏิปักษ์ตัออันอิสลามยะฮูดเขต้องการลบอิสลามออกไปจากตัวเรา นาาอซอลอกต้องการลบอิสลามออกจากตัวเราและผู้ที่มาสตาต่อล้องส่วนต่างๆที่มายึดมั่นเอาอล้อเป็นเจ้าก็จะลบระบบอิสลามออกไปจากตัวเรานวันนี้กระแสทางสังคมมันมีหลายๆอย่างเราต้องเกาะให้ติดว่าแบบนี้อิสลามปฏิบัติได้หรือไม่ไม่จะตามเขาเราจ ะ, ะเป็นคนที่ทันสมัยไม่ใช่มันใช่หรือไม่ใช่ตามแบบอิสลามเราต้องเกาะให้ติดนะแต่นี้เวลาเกาะให้ติดก็ต้องรู้่ง เราก็ต้องรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่การเรียนรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นเดี๋ยวนี้สื่อสาต่าง ม, มีอยู่เยอะแยะวิทยุยิบสีชั่วโมงก็มีโทรทัศน์ก็มีแล้วมีอบรมตามบ้านก็มีตรวจสอบตัวเราและเห็นใครทำผิดก็ค่อยๆแนะนำอย่าไปว่าเขาาทีไปว่าเขาเจ็บๆแทนที่เขาจะรับฟังถูกต่ออีกโตแเราก็ควายแล้วยังไม่รู้เรื่อ ง, งายอ่าไปว่าเขา นี่นี่คือสิ่งที่อลัลลอฮ์บอกเพราะฉะนั้นทาาน่านกอตาม์ได้บอกว่าไงนะท่านกอตามบอกว่าเมื่ออายะนี้ลงมามาหาท่านเวลานี้อายะนี้ลงมาหาท่านคือลงมาหาท่านเราซึ่งสันสะรำเนี่ยก็ให้เราขออ้อนวอนอัลลอฮ์เราจะต้องขออ้อนวอนอัลลอฮ์ ว่ายาได้ปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของตัวฉันแม้แต่ชั่วพลิปตาคิปตาเดียวคืออัลลอฮฺเราซูลดูแลเราตลอดเอ๊เราจะต้องดูแลตัวเองของเราตลอดไปได้อย่างไรเพราะไงคือตัวเราเนี่ยระหว่าเราดูแลตัวเองได้ตลอดแหะแต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้โดยตลอดแลบีก็ให้เราขอออนอนต่อเหรอเพราะอะไรล่ะเราดูแลตัวเองได้อย่างไง พอเรามีหลับเราก็นอนหลับเราก็มีนอนเราก็มีตื่นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวนอนเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวมึนเดี๋ยวงงเดี๋ยวเวียนหัวเดี๋ยวหัวเวียนเนี่ยเพราะนั้นไอเราจะดูแลตัวเองไ่้ตลอดแบบเนี้ยมันมันดูแลไม่ได้ไใครมม่ไม่หลับใครไม่ละมือใครนอนแล้วไม่ฝันดีไม่ดี งั้นนมีก่อนออาว่าอัลลอฮุมะลาตะกิลนีอิลานับซีตารฟะตะอัยนินอัลลอฮุมะลาตะกิลนีอิลานับซีตารฟะตะอัยนินนะดันั้นไม่มีแต่ว่าขยายให้ฟังมาไปดูคำอธิบายคุณอ่านแล้วนะ่ะนักตักซีอธิบายแล้วจับประเด็นนี้มาใส่ไว้แปลว่าไงเอาภาษาไทยออลลอฮอย่าได้ปล่อยให้ฉัน อย่าได้ปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของตัวฉันแม้แต่ช่วงพริบตาเดียวนะสมัยความว่าไงล่ะขอเราเลยอะไรขอพรองค์อย่าได้ปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของฉันแม้แต่ช่วงพริบตาเดียวอย่าเอาล่ะเพราะเราเรเร า, เ ร, ารับผิดชอบไม่ได้เราตัวเราเอะอย่าที่ว่าเราหลับไหมหลับเรานอนไม่นอน เราหาวไม่หาวเราง่วงไม่ง่วงเรามึนหัวไม่มึนนะเป็นเราไม่เป็นเรารับผิดชอบตัวเราไม่ได้ตลอดหรอกก็ข้อมอบหมายต่อเราซาตาลาเอาภาษาไทยนะภาษาเราคืออัลลอฮุมะลาติกินนีอีลานับซีตอรอฟตาไอนินยากเหลือเกินเอาภาษาไทยตามที่เราก็ใจโอ้อัลลอฮ์อย่าได้ปล่อยให้ฉันอย่าได้ปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของตัวฉันแม้แต่อชอั่พริบตาเดียว แสดงว่าให้รอดูแลตลอดให้รอดูแลเราตลอดนะก็เอาง่ายง่ายอย่าลอดูแลฉันขอพได้โปอดูแลฉันตลอดนะอย่าโปรดได้ทอดทิ้งฉันแม้แต่ช่้นที่ปลาเดียวขอตลอดนะเวลาอาญางนี้ลงมาเนี่ย อายะไหนลงมาอายะที่สองเนี่ยไว้อิงกาดูเนี่ยอายะนี้ประทานลงมาแล้วเนี่ยยิวมันบอกว่าถ้าท่านเป็นนบีจริงท่านจะต้องไปอยู่ที่เมืองชามเพราะนบีนี่เกิดที่ไรมักกะนะแล้วตอนหลังก็อพยพไ ป, ปม่ดีนะด้วยคําสั่งของอัลลอฮ์งั้นยืวมนานอลไรมันจะเบีเ่ยนเบรแล้วอ่ะ มันบอกถ้าท่านมูฮัมมัดเป็นนบีจริงแล้วเนี่ยท่านต้องไปอยู่ที่เมืองชามประเทศซาอุดิอาซีเรียเพราะเป็นแผ่นดิขออ น, น, น, ดนของอัลบียประเทศซีเรีย่ะเป็นแผ่นดินของอัลเบียะของอัลมาดา น, นาบีต่างๆนบีมีมากมายในชามที่เกิดในชามประเทศซีเรียแต่นี่มูฮัมหมัดมาเกิดที่มะ ก, ก้าเนี่ยไม่ใช่แล้วนี่นี่ก็เมื่อเป็นความประสงค์ของเราเราจะให้เกิดตรงไหนไดะ คือที่มึงมากะแล้วพอแม่ท้องพ่อกระตายแต่มีคนชนบทชื่อฮาลิมะาซาดียะเป็นคนดูแลทําไมส่งให้คนชนบทเป็นคนดูแลว่าพ่สภาพสังคมของชุมชนชนบทมันจะบริสุทธิ์กว่าสังคมเมืองสังคมที่มีคนเยอะแยะเพ่นพ่านเยว่าฉะนั้นทำความคิดการปฏิบัติตนมันมันแปลกแยก่ไม่เหมือนสังคมชนบท นั้นส่วนมากก่อนๆแล้วก็มีนะส่งลูกไปอยู่กับโตเกียีเป็นสังคมชนระบทลูกจากสังคมเมืองเขาก็จะปลูกฝังความคิดอิสตามล้วนๆให้กับเราท่านก็ตางได้กล่าวว่าชาวมะกาตั้งใจที่จะเอาท่านอับีออกจากมะกาชาวมกานะกาเน่ะตั้งใจที่จะเอาอับีออกจากมะกาเพราะอะไร เพราะคำสองอโนบีขัดแย้งกับความเชื่อและความรู้สึกของเขาเพราะเขาเชื่อเทวรูปต่างๆที่นีอยู่และเชื่อว่าก้อนหินเหล่านั้นจะบรรดาลสิ่งต่างๆได้ตั้งกี่ได้ตั้งสามร้อเก้าสิบสามร้อยหกสิบตัวเเรียกเรียกภาษาไทยสามรอหกิองค์เออเอาอะไรไม่ได้สักตัวหนึ่งเพราะอะไร ปั่นมันมาแล้วกำหนดว่าศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ปั่นแบบนี้มาราคาเท่านี้ที่เราดูกันอยู่ว่าอ้าแล้วมันขอต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําไมมันได้ล่ะมีน้องสงสัยไหมมันขอจากเจเวตต่างๆที่มันทําขึ้นมาที่โต๊ะครูมันทําขึ้นมาเนี่ยขายแล้วแต่จะเท่าไร่เท่าไรซื้อกันไปแล้วทําไมมันขอแล้วมันได้ล่ะมันได้ไม่ใช่ว่าไอ้ตัวนั้นมันช่วยให้ได้แต่อารมณ์ให้รีสเกี เพราะอัลลอฮ์มีส <an> ิฟ <flavor> ต <duda> ิ์ะดรอัลรอฮ์มานรัก <honor> อัลฟาติฮะนะบิสมิลลาฮิราะห์มาร์นี่รอฮมอัลรอฮ์มานอัลลอฮ์ส่งเมตตาแก่คนทุกคนจะเป็นผู้ศรัทธาต่อร้อยด้วยไหมศรัทธาอัลลอะ์รอกห์มานให้หมดหัวควายเป็ดไก่อัลลอฮ์ให้หมดรอห์มานดนยนี้แต่รอฮีมวักนี้ต่างหากที่ว่าข้อสตุลินมูมินี้ยาวมันกี่ยามาเจะจงสาหรับมูมินเท่านั้นในวันกี่ยามะกาเฟได้ไหมไม่ได้ มันไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านั้นสกปรกนะเป็นเรื่องของเขาเราก็เรียนรู้ใช่ไหมแล้วก็เป็นสินค้าที่มีราคาร่ํารวยกันอะไรกันมากมาย ม, ามาหาศาลแต่ช่วยได้ไหมลาตัดดุรวัวลาตำฟะให้คุณก็ไม่ได้ให้โทษก็ไม่ได้นี่คุณสงสัยว่าแล้วมันอยู่ได้ไง อ, อ๋อรอรมาน รอหิมมันไม่ได้แล้วรอหิมนั่นสําหรับโมมินในวันเกยามะเราไม่เราได้ไหมเราก็ได้นะเราได้แต่เราได้มาปุ๊บได้อะไรมาเราต้องเลือกเฟ้นจะกินก็ต้องมีขั้นตอนไพล้านเดือฮรลอมไม่ได้กินทุกอย่างที่ขวนะางหน้าไพล้านฮาร์ลอมของเขาหรือของเราใช่ไหมไม่ใช่เวอต้นมะม่วงนี่มันกินมันมาอยู่บ้านเราเราก็เด็ดกินไปเลย ก็มีคนถามอาจารย์ฉันปลูกมะม่วงลนะ่ะต้นมันอยู่บ้านฉันแต่กิ่งมันมาอยู่บ้านนู่นมันเอาลูกของฉันไปกินลูกมะม่วงไปกินอ่ะมันขารามไหม <c oughs> นี่ถ้าปลูกในส่วนในส่วนของเรามันจะได้ไยเป็นเล่บากคนอื่นใช่ไหมถ้าไปเลยเมื่อเขากินเนี่ย <c oughs> ทําบุญไปราเป็นของเราลูกเป็นของเขา <c oughs> งั้นในตรงนี้มันจะเป็นอะไรมันจะไปสุบภะท แต่เราเนียดเลยกให้มันเลยมันกินเราได้บุญเขาที่บอกเวลาเลี้ยงแพะก็อย่าไปเลี้ยงที่ใกล้ๆที่ของเขาเดี๋ยวมันเข้าไปกินหญ้าเขาอะไรเขานะ่ะมันไม่ใช่อ่ะแต่ก็ต้องดูให้อยู่ในขอบเขตของเรางั้นถ้าถ้ากิงมันไปฝั่งโน้นลูกมันมีเนียดเลยมันกินกะให้เลยถ้าเราให้เราก็จะได้ความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีทินเลยนะเอาเอาไปเลย ก่อนก่อนนี่เก็บของเขาเน้นแหละก่อนก่อนนี่โต๊ะผมมีสวนมะม่วงเตือมามีมีแล้วแล้วเป็ดแล้วเป็ดผมเตือนมาผมก็บไขรเป็ดให้โต๊ะเลยโต๊ะรักมากเพราะร้านคนอื่นแย่งไม่ทันแล้วก็มีมะม่วงผมเข้าสวนก่อนเลยเก็บมะม่วงง่วงก็ให้โต๊ะก่อน สมัยก่อนนี่เกิดหัวปลาแล้วแต่ก็ไปฝากไปเลี้ยงดูที่รุ่นลำซาลี<ะ>ลก็ตื่นเช้าแล้วเข้าแล้วงั้นหลานคนอื่นจะมาเอาไข่เป็ดในเล่าหนะ่อไม่ทันหรอกผมเอาเก็บก่อนแล้วฮ <c oughs> ะไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนก่อะอ่าอ่ารู้นะงั้นเวลาอนะับดเเกิดขึ้นมาโอ้โหคนมันเกียบติ แล้วมีกระทรวงนิสสามารถชี้ิกต่อรอดด้วยเอาอีกแล้วแหลง่งคผลประโยคน์ของมันถูกทําลายทั้งหมดแหล่งข้อมูลหลุมผิดถูกทําลายทั้งหมดแหล่งซ่องสมม้าเสียดถูกทําลายทั้งหมดแต่เราผู้สแตาต์เราเป็นไงวันนี้แหล่งซ่องสมมุสซิมเข้าไปเกี่ยวข้องไหมไอโควงโควิดควายควิดอะไรเนี่ยมันมาจากไหนแหล่งซ่องสมโซดาโซรานาดีพาชีกิลาบัตเออถูกไหม สุรานาฬผู้หญิงพาชีเล่นมากกีฬาบาัดเกล่นถือว่าเล่นไพ่แบบเนี้ไม่ได้มาจากคนไปละหมาดสุราสันติชนเป้าแล้วอะไรผู้หญิงเป็ น, เ ป, นเป็นที่บำบัดความไข้ของสังคมตกเป็นเหยือ่อเดี๋ยวนี้มาลามมากระทะโรงเรียนคู่กับถ่ายภาพนักเรียนอะไรเกิดขึ้นคงคืนเด็กนักเรียนนี่ ของเราใะระบบเราน่ะลาตักราบุซินาห้ามเข้าใกล้เลยไอถึงตัวนะไม่ถึงเราเข้าใกล้ ย, ยังห้ามเลยเวลามองเขา้ะให้ลดสายตาไอคนสวยหน่อยแล้วก็ลดเยอะๆหน่อยสวยแล้วมันทำให้หัวใจมันเวียนหัวเาลาให้ครั้งสร้างมันสวยห้ามดูลินละแต่เราก็ต้องลดสายตาไม่ใช่โอยตั้งอย่างงี้เลย ทำไมมือไม่มลดสายตาไมรู้กูกับมือยันอย่างงี้แหละมันไม่ลงก็ยังลงพ่มามืก้รู้มามืกอก้าร้อคนไหนเล่นเชิงกับวันร้องวันเราใครรุ่นมาเกลียดเชิงการร้องมากกว่าสู้เชิงอออการร้องอ่ะมีรายการก็บันทึกแล้วความดีความชัว่วให้รถสายตากันคนสวยก็เดี๋ยวนี้ระบบเราเป็นไงคนสวยปิดหน้าไม่เห็นอปิดหน้าไม่เห็น ยิ่งสวยมากมันจะร้าใจมันอ่อนไหวเหมือนหัวใจที่ต้องลมหัวใจหอยคอกรโดนลมก็ะไว้นี่ไงระบบเราดูเถิดเราดูระบบเราเราดูระบบเราอัเร า, รบบเร า, เาให้นะ่ะงั้นนะบีมาเราส่งมาเพื่อประกาศศีลสามในยุคสุดท้ายนบีมาทุกทุกองค์ลยประกาศศีลามทั้งหมด นะแล้วเราซูเนี่ยสามรอสิบาสามถึงสามรอสิบสี่มักกะฮิซามทั้งหมด <c oughs> คือชาวมักกะตั้งใจที่จะเอาท่านนบเบียออกจากมักกะหาพวกเขาทำเช่นนั้นเขาจะได้ไม่ได้เขาจะได้รับโทษทันทีแต่มันทำไม่ได้ถ้าทำได้นะจะทนโดนอาสาบคนที่จะเอานบเบีออกจากมักกะ แต่เราทรงยับยั้งเอาไว้จนกระทั่งพระองค์ทรงบัญชาท่านนาบีออจารนาครมาการเดลอบยพไปตั้งภูมิลำเนาหนะ้ะครมาดีนะนั่นอลัลลอฮ์ให้นบีไปงั้นทําอะไรตามคําสั่งทั้งหมดจะประกาศอิสลามต้องไปอยู่ในถ้ำไอพวกมิชชีกีนที่เป็นญาติกันนี่แหละต้องการจะฆ่านาบีต้องไปอยู่ในถ้ำไปกับอบูบักไปอยู่ในถ้ำ คนน่ะกลัวแต่ว่าอัลลอฮ์ปลอบใจว่าลาตอคฟาลาตะฮันอย่ากลัวอย่าเศร้าอยา่าระทมอินนลันลลอฮามะนาอัลลอ์อยู่พร้อมกับเรานะอัลลอ์อยู่พร้อมกับเราเ <c oughs> <c oughs> วดล้เราซูนไปมาดีนะ เราซุไ้ไปอยู่มาดีนะที่นั่นยิวเยอะอีกแล้วเพราะอะอย่าลืมหลักนะและตาจีนันนาชาดันนาซาดาวาตาลินลีนาอามานูอันยาฮูดวาลาีนาอัชรกกูคนเป็นศัตรูที่หารูโหที่สุดต่อผู้เสียชต่อเลาะคือยาฮูดยิวและคนที่ชิริเกทุกรูปแบบชิริกทุกรูปแบบคืออไรไม่ได้เชื่อหรอก แล้วถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอํานาจนี่พวกนี้คนศีลดัง น, นั้นตอนนี้พอไปมาดีนะพวกนี้ก็ต้องการฆ่าท่านอับดุลเบี๊ย์ล็อกท่นานบีไปมาดีนะพอไปถึงที่มาดีนะมันก็บอกว่ามันต้องการให้เราซูดออกจากมาดีนะ เพราะมันบอกว่าแผ่นดินของอัมบียะคือประเทศชามไปดีนะไม่ใช่แผ่นดินของอัมบยะของนบีใช่ไหมมันข้ออ้างอีกแล้วมันต่อต้านทุกรูปแบบแต่ที่สู้ได้เพราะอะไรเป็นรสู้นที่สู้ได้เพราะอัลลอฮ์รักษาท่านนาบีพวกกูรสต้องการขับไล่ น, นบีออกจามากะ ก่อนที่จะคิดจ ร, ร้องพวกคุเรสต้องการหนนบีออกจากแผ่นดินอาหรับพวคุเรสต้องการฆ่าหนบีด้วยการห้านิบีออกไม่พ้นอยู่ไม่ได้อยู่แล้วมาเปลี่ยนความคิดใหม่ยึด ต, ต่ออรอเป็นเจ้าองค์เดียวในขณะที่เขาเขายึดผลประโยชน์จากวัตถุเป็นตัวตั้งของเราเนี่ยอัลลอฮฺคุรอบบีอัลลอฮฺอยู่กับเราล า, า, ราตาคัฟลาตาจนอินนัลอมานาะอัลลอฮฺอยู่พร้อมกับเราตอรลอดเวลาขอมาตอลอดตรงไหนก็ได้ แล้วขอต่อน咯 แ, แต่ไม่ได้ดูในอญญายะต่อไปซุนนาตามกัตอรุสันนากอบละกามีรูซูลีนาวาลันตะกิดุลีซุนนาติซุนนาตินาต้าหิลาอญญายะเจสิเกเจนนี่คือแนวทางของผููที่เราได้ส่งก็มาก่อนบรรดาเราซูนของเรา และเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงในแนวทางของเราแต่ประการใดสุนนะที่เอาล่อให้กับท่านรสูนมาเนะี่ยมันเป็นสุนนะแบบปฏิบัติจากวันนู้นที่นบีประกาศสุามจกนกระทั่งถึงวันกิยามะไม่มีนบีอื่นใดอีกแล้วที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราเป็นหน้าที่ของบรรดาอุลมามะ เป็นหน้าที่ของมดาคนซซลีฮาินที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาบอกกล่าวตักเตือนเพื่อให้เราปฏิบัติตามผลทางของท่านนบีคนที่ศรัทธาต่อรอเหน่อยลำบาเราดูภาพลำบากแต่ใจเขาหนักแน่นเกินกว่าความลำบากที่เขาได้พบเอาหยันมาไว้ที่ซอฟามาแล้วว่านบีอูี ม, มาบอกว้แล้วก็เดินทางไปกลับไปอียิปต์ แลาเอาละบสมาอนมาไหว้กับแม่ใช่ไหมเอามาไหว้เพราะนุ่ิบรารีมเชื่อว่าอัลลอฮ์นอ่ะไม่ทอดทิ้งเราดูเป็นความโกรร้ายแต่ไม่ใช่ อ, อ, อีมานอ่ะอีมานของพรนางอะยัตเพียงพอที่จะรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้โดยถามนุ่ิบรารีว่าที่เอามาไหว้นี่เพราะอะไรบรารีไม่ตอบไม่ตอบท้ายสุดนางถามว่า เพราะอัลลอฮ์สั่งท่านใช่ไหมรบีบริณฑ์ตอบเพราะอัลลอฮ์สั่งงั้นมาเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลลจะดูแลปกป้องตัวเราอัลลอฮ์จะให้สมมติเขาให้ออสากาดอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้กับเราถ้าใจรู้สึกใจเราเราเนี่ยรู้สึกเสียดายเนี่ยมันจะหมดหน่ะ ให้และจะมนัสกาตแต่พอให้ไปแล้วเนี่ยเอาล่อเพิ่มพูณให้เราเราไม่รู้ทางไหนอาจจะเงินมากกว่าอาจจะสุขภาพดีกว่าเดิมหรือออิมานมากกว่าเมื่อสารพัดเอาเมา่ที่ไม่ได้กับตัวเราก็ไม่ได้กับลูกหลานเรายะรุสุกุไม่ยาชาลิซิกียยกเจ้าร้อให้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่ใช่ของกินอย่างเดียวนะความรู้ความอิมานความศรัทธาลิซกีทั้งนั้นแหละงานลิซกีเข า, า, ามีคํำนิยามว่าอัลอินตีฟา่าสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยเลาจะให้สังเกตตัวเรา ไอเราเนี่ยจะคิดแบบต้องเราอย่างเดียวแต่เราไม่ได้แต่ลูกได้เราไม่ได้แต่สังคมได้เพราะเราสับับจากเราอ่ใช่ไหมนี่คือเชื่ออย่างเดียวเราไม่มีไม่มีใครหลอกเราได้อากิมิสโซลาแต่ลีลีลีดูรูกิชั่มทีทั้งทั้งหลายจงละมารตั้งแต่แต่วันคอยอิลาก์สกินไลท์จนกระทั่งพบคา ว่าคุรานินฟ้จิอินนะคุรานินฟ้าจิการนมาชูดาและการอ่านยามรุอรุณแท้จริงการอ่านยามรุ่งอรุณนั้นเป็นพยานยืนยันเสมอคุรานต้องอ่านนะช้ามาอ่านคุรานเดี๋ยวนี้อาจทำดีแล้วมีกลุ่มไลน์ที่เขาสอนคุรานกันเขาเข้ากลุ่มกันอ่านกันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เขาก็จะบอกตาจีบิ้อ่านแบบนี้ถูกอ่านแบบนี้ไม่ถูกอโอ้ทำดีมาก ดีมากดีนีเราก็เรียกไม่เคยถูกนะเปิดอา่านแล้วเข้าคิวกันอ่านครูเขาจะเตือนครูก็จะให้ความหมายครูก็จะบอกว่านี่ความนี้เป็นอย่างงี้นะความรวมเป็นอย่างงี้นะอา่านถูกเป็นแบบนี้อา่านสัน้นอันยาวออแต่นี้รุ่น ร, รุ่นเร า, เ, ราเนี่เปิดไม่เคยเป็นแล้วมีวิทยุอีกยีิบสีช่ชั่วโมงเออทำอะไรก็ทำไปสิ เราเวลาเราดูศาสนาของเรานะทาไมมันมันมันแนบเนียนแล้วมันครอบคลุมเนื้อหาชีวิตทั้งหมดเลยแล้วเรื่องทํามสระก้อนม่นต้งตั้งอย่างเดียวนะอิมาตทุนอาดาอินตอรีอะไรที่จะทําให้เส้นทางคนมันจะสะดุดลมเป็นอณาต่อเส้นทางที่เขาใช้สัญจรไปมาเราเอาออกซะดีไอเราได้ควางใช่ไมหมครับดูสิเดี๋ยวมันจะลมเปล่าแล้วก็มันนั่งเฮกัน่ะ จช่ไหมแล้วเราอ้กรอนกเนี่ถนนน่ะแคบทำไมเป็นงั้นหรอคนเดินทางไปมาไปมาน่ถนนน่ะแคบแล้วเอากระถางต้นไม้มาวางข้างนอกอีกทำไมอะ่ะมันได้ผลบุญนะให้เส้นทางเดินไปมาเขาสะดวกสะดวกแต่เราเนี่ยเราคิดแบบเราคิดแบบขี้เหนียวอะ่ะ ไม่ให้ใครไม่ให้ใครมันไม่รู้ว่าไงริสกีที่อัลลอฮ์ให้นะ่ะให้กับเราอัลลอฮ์ไม่กินไม่ดูแต่ให้กับเราทั้งหมดแต่ให้อัลลอฮ์เมตตาเราอะดูให้ตามพิกัดระดับที่เราจะไม่เสียคนให้เยอะมากอิมานไม่พอเสียงั้นให้ระดับนี้อัทำตัวดีแ ล, ล้วเพราะเรารู้ดีว่าคนอย่างเราได้ขนาดนี้ถ้าเกินกว่า น, นี้เสียแนละ้ว แล้วให้มาก็ต้องดูด้วยว่ามีสตังเอยอะใสกาทั้งห้าเรือนไอ้พวกเราเนี่ยไอ้ความชื่นชมที่นีต่อวัตถุนะวัตถุจะไม่ตัวกําหนดเกียรติยศใช่ไหถ้าเอาแบบนั้นนะ่ะสารคุณภูมาตาอุ ค, คุณเกียรติยศถูกกาหนดดยกับวัตถุเราก็ต้องใส่สร้อยนี่เลยแต่เกียรติยศเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ว่าเรารักษาคําสั่งขาองอัลลอฮ์ได้นั่นคือเกียรติเอ้า ถ้าวัตถุโอ้โหมีผ้าคุมยิยาบสิบผืนสวมทับสิบผืนมาเลยโชว์เลยคนเจอก็ว่าเอ้ยดูดูดูดดว่ามีนั่นไลรีฟาตาหฮจัดบิและบางส่วนจากกลางคืนอ่ะไม่ใช่ทั้งคืนนะเราไม่สั่งให้เรามาตาหฮจุดทั้งคืนนะให้มีพักผ่อนให้ตื่นขึ้นมาละมาตาหฮจุด และบางส่วนจากกางคืนเจ้าจงตื่นขึ้ น, นมาละหมาดในเวลาของมันฟาตาฮัดยัดบีฮีจงตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นนะคำสั่งว่าจงจงตรงนี้ไม่ใช่วายิบแต่เป็นสุนัตเป็นสุนัตด้วยแล้วก็เป็นสุนนะแบบปฏิบัติของนบีด้วยเพราะว่าเฟรืดอัมร่คําสั่งใช่นะบางทีเป็นคาสั่งใช้ที่เป็นสุนัตบางทีเป็นคำสั่งใช้ที่เป็นวายิบ อันนี้อุลมะเขาจะอธิบายให้เราได้รับรู้ว่าอุตส่ากาจงออกสกาดนี่คาสั่งวายิปไม่ใช่ออกก็ได้ไม่ออกก็ได้ไม่ใช่ถ้าจะไม่ออกก็ได้สกาดต้องออกถ้าจะอะไรครับสมัครใจ ก, ก็เป็นซอดะโดกซาดกะกกมันจะกคำวา่าซิดดิกุลซิดกุลแปลว่าจริงถ้าจริงก็มันลาลอดเนี่ยก้าซาดะโกถ้าไม่จริงไม่กล้าหรอกซาตานบอกอย่าอย่เดี๋ยวจนนะมึงมันซาตานมันจะให้เราจน อ่างั้นเรามาตาร์ยุทธก็ฝึกตอนได้อาจจะจะไม่เคยคุ้นกระใจนั่นหน่อยก็แปดกับบลฟิเตสนะเนี่ยอืบบเนะ อ, อเออแ ล, แล้วเราลองคิดด้วยทําไมเราขึ้นทําไม่ได้เพราะอะไรคำตอบอย่างเดียวคือขี้เกียจงั้นตัดความขี้เกียจออกไปมีทุกคนเลยความขี้เกียจ แต่ว่านาบีก็จะปลูกพยาทํามีบ้านใานยังกลางคืนแต่ไม่ได้ปลูกแบบดูเดือด น, นะถ้าไม่ตื่นก็อนาน้ําผมหนะ้อนาอาบน้ําลูาบๆนะนะแล้วเริ่บบอกฉลาดอาน้ําลูบหน้าแล้วก็ตื่นอาชาอายะปาอาสกะรบุกามะกอมะมางดูระเออละมัดาจุดเป็นความสมัครใจเราต้องสมัครใจไม่ใช่วายิบแต่ต้องสมัครใจ สำหรับเจ้าหวังว่าพระเจ้าของเจ้าจะทรงให้เจ้าได้รับตําแหน่งที่ที่ถูกสรรเสริญตําแหน่งที่เอาล่อสรรเสริญเนนะ่ยยังไงอะล้อมนุษยส์สรรเสริญแป๊บเดียวมนุษย์ได้รับประโยชน์สรรเสริญเพราะไม่ได้ประโยชน์ไม่สรรเสริญไหวโอคักนะหรือจะเชื่อว่าโอคักดีกว่ารักไม่เป็นก็ตามใจแล้วกับเอาล่อไม่อกหักกับคนโอคักดวลมาทางังยุทธธรรมขั้งละสองละก็อาด หลังจากนอนแล้วตื่นมาในยามเด็กนอนก่อนแล้วก็ตื่นมาก็ไม่ได้ก็เยอะแยะหมดเวลาแล้วก็ขอลาตอนลอต้อนฮิดายะให้กับผมแลวก็พี่น้องด้วยวอกานีนะซุบฮนะกลออบิามิกะอชดัลลาอิลลอันตะอัสตฟิร์กาวะูบไลกัสสลามุอะลัยคุมะราะห์มตุลอฮะบรกาต